เข้าบรรษาก็หมายความว่านับแต่วันนี้ไปนะพระทั้งประเทศนะก็จะก็บารรษาก็คือ อ, อยู่ประจำวัดหรืออาวาดไม่ว่าจะเป็นสำนักสงฆ์หรือว่าอารามใหญ่น้อยเพียงใดก็จะอยู่ตลอด90สวันนับจากนี้ไป โดยไม่ได้ไปค้างแรงที่ไหนถ้าไม่มีเหตุจำเป็นการที่พาวรูปใดรูปหนึ่งจะมาจำพรรษาหรือว่าอยู่ในอาวาสใดอาวาสหนึ่งตลอดสามเดือนร่วมกับหมู่มิตรก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเพพาะจะเป็นพระที่เพิ่งบวชใหม่ต้องอาศัยความตั้งใจ ด้วยนี้เนี่ยนะวันเข้าวรรษาเนี่ยจะมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งในหมู่พระเป็นพิธีกรรมสั้นๆ น, นะเรียกว่าอาธิษฐานภรรษาอาธิษฐานภรรษาเนี่ยก็หมายถึงการทำพิธีเพื่อแสดงหรือย้ำความตั้งใจที่จะจำพรรษาหรืออยู่ประจำเอาว่าครบถ้วนสามเดือน ปกติเนี่ยคำว่าอธิษฐานเนี่ยสำหรับคนทั่วไปเนี่ยมันคือความตั้งใจหรือตั้งจิตนะที่จะขอหรือตั้งจิตปรารถนาเพื่อจะได้เพื่อจะเอาอย่างที่เรามักจะอธิษฐานขอนั่นขอนี่เวลาเรามาทำบุญหรือไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่ไปกราบไหว้พระพุทธรูป แล้วก็มักจะอธิษฐานขอให้มีโชคมีลาภขอให้มีอายุวันน่สุขาพะละแต่อธิษฐานในความหมายนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความหมายดั้งเดิมนะของคําว่าอธิษฐานความหมายดั้งเดิมความหมายแท้ก็คือความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สําเร็จคือความตั้งใจที่จะทําท แต่พอมากลายเป็นภาษาไทยมันกลายเป็นความตั้งใจที่จะขอความตั้งใจที่จะเอานะซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามกันเลยทีเดียวนะการทำเนี่ยนะมันเป็นเรื่องยากโดยเฉ่าะการทำสิ่งดีๆและยิ่งปรารถนาที่จะทำให้สำเร็จเนี่ยต้องอาศัยความตั้งใจ ในการที่จะทําสิ่งนั้นโดยความรู้สึกแน่วแน่มันต่างจากการขอนะขอนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยแต่คนไทยเนี่ยเราก็แทนที่เราจะมันในเรื่องการกระทําเราก็หันมาขอกันมากมายทั้งห น, นที่ศาสนาพูทธเนี่ยเป็นศาสนาแห่งการกระทําศาสนาแห่งความเพียร น, นะ มีชื่อหนึ่งว่ากรร ม, มาวาทะหรือว่าวิริวาตวิริยะวาทะหมายถึงคำสอนที่ในเรื่องการกระทาในเรื่องความเพียรแต่ว่าพอมานับถือกันนานเข้านะมันกลายเป็นการขอแทนแชาวพุทนเราก็เลยกลายเป็นพวกที่เรียกว่าชอบขอ แล้วก็ใช้คำหลวงเนี่ยมาเรามาอาธิษฐานกันที่การอธิษฐานนี่นะมันเป็นธรรมะที่สำคัญนะในพุทธศาสนาจัดว่าเป็นบา ร, รมีหนึ่งในสินะที่พระโพธิสัตว์เนี่ยจะต้องบำเพ็ญอย่างยิ่งยวดเพื่อได้บรรลุพระสัมมาสัมพทธิยานแต่ก็เช่นเดียวกันนะคำว่าบา ร, รมีเนี่ย พอเป็นภาษาไทยมันกลายเป็นมันมีความหมายที่เพี้ยนไปบารมีแทนที่จะหมายถึงคุณความดีอย่างยิ่งยวดที่ต้องบําเพ็ญอย่างจิดจังชนิดที่ว่ามีแต่พระโพธิสัตว์นะเท่านั้นที่จะบาเพ็ญได้อย่างครบถ้วนกลายเป็นว่าหมายถึงอำนาจ หมายถึงบริษัทบริวารเป็นที่ยำเกรงนะอย่างที่เรามักจะมีคำพูดว่าคนนี้ขอเป็นผู้มีบา ร, รมีมากบางครั้งเราก็เรียกเจ้าพ่อนะที่นอนที่นี่ว่าเป็นผู้มีบา ร, รมีทั้งที่บา ร, รมีเนี่ยนะเอาไว้ใช้นะนะกับพระโพธิสัตว์หรือว่าผู้ที่ตั้งใจในการบําเพ็ญความดีนะ อย่างจริงจังผู้มีบารมีท่านที่หมายถึงคนที่ทำความดีอย่างยิ่งยวดอาธิพัพธิสัตว์นะก็กลายเป็นว่าเจ้าพ่อนักเลงหรือคนมั่งคุคนมีจากความหมายที่เน้นเรื่องการกระทาเพื่อทำให้เกิดความดีงามมากขึ้น ส่วนขั้นหนึงขั้นหรือพ้นจากความทุกข์ก็กลายเป็นสิ่งที่ไปพลเัวกิเลสอย่างนี้ใครๆก็อยากจะมีบา ร, รมีแบบนั้นเพราะว่ามันตอบสนองกิเลสตอบสนองอัตตาแต่บา ร, รมีที่แท้เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ทวนกระแสะกิเลส ทวนอย่างจริงจังเลยทีเดียวอันนี้ก็กเห็นนะทำไมเห็นนะว่ า, าธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยพอเรานับถือกันไปนับถือกันมาความหมายมันก็เพี้ยนไปของดีก็กลายเป็นสิ่งที่ไปสนองกินเละที่ท้ายก็เหมือนกันนะ เราควรจะมีกันมากๆควรจะทำกันเยอะๆพระพธองค์เนี่ยนะเมื่อยังเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยคือยังไม่ตัดสรตวเนี่ยก่อนที่พระองค์เนี่ยจะตัดสุภาษมสัมพุทธญาณเนี่ยพระองค์ได้ตั้งจิตอธิษฐานนะว่าแม้เนื้อและเลือดในสรีละจะแห้งเหือดหายไปโดยแต่หนังเอลและกระดู แต่ต่าใดที่ยังไม่บรรลุปัสสามะสำปุทมมิยานเราก็จะไม่รู้จักที่นั่งนี้คือไม่รู้จักบรรลังที่นั่งโคนต้นโพเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นการตั้งเีตทิษฐานที่สำคัญมากเลยเป็นการแสด ง, งความตั้งใจแน่วแน่ของพระองค์ที่จะบำเพ็ญเพียรจนถึงที่สุดนะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสรีระละร่างกายและสุดท้ายพระองค์ก็ได้บรรลุพระสัมมาสัมพุทธิยามได้นำคำสอนที่เกิดจากการเห็นแจ้งในสัจธรรมนะมาแนะนำพวกเราแต่ทิฏฐานเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำถึงขั้นว่ายอมตาย ไม่ว่าเนื้อและเลือดในกายนี่จะเหลืออยู่ไม่นะก็จะไม่หยุดความเพียนนะอธิษฐานมันมีหลายระดับอย่างอธิษฐานภาษาเนี่ยนะเราก็ไม่ได้อธิษฐานอย่างพระพุทธเจ้าในคืนก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้พระสัมมาสัมพทธิยามเราจึงแต่อธิษฐานหรือแสดงความตั้งใจหรือกระหนดความตั้งใจของเราเนี่ย ว่าจะอยู่ในอาวาสนะตลอด3มเดือนโดยไม่ไปไหนทำไมจึงต้องอธิษฐานเช่นนั้นนะ mm hmm. ก็เพราะว่านะการที่คนเราเนี่ยนะแม้จะตั้งใจที่จะมาบวชเพื่อการปฏิบัติเพื่อการฝึกฝน แต่การที่จะอยู่ในอาวาสแห่งใดแห่งหนึ่งครบตลอดสามเดือนเนี่ยโดยที่ไม่ไปค้างแรมที่ไหนเลยเมื่อไม่มีกิจจำเป็นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะบางครั้งเราก็อาจจะพ่ายแพ้ต่อกิเลสได้อาจจะมีเหตุทำให้กลายเป็นข้ออ้างที่จะ ไปที่อื่นแทนอย่างบางคนเนี่ยนะ ท, ท, ทั้งๆที่อธิษฐานพรรษาไปแล้วพาบางรูปเนี่ยแต่พอได้ข่าวว่าพ่อแม่ป่วยก็ขอศึกทันทีเลยว่าอยากจะไปดูแลแม่ดูแลโยมพ่อโยมแม่ ทั้งทั้งที่ตอนที่เป็นคารวาสนะก็ไม่ได้กระตือรือร้นขนาดนั้นแต่พอมาบวชพระแล้วเนี่ยชีวิตที่ไม่สะดวกสบายหรือว่าการที่ต้องปฏิบัติตามพระวิ น, นัยแล้วก็มาใช้ชีวิตที่ไม่คุ้นเคยต้องมาฝึกจิตดูใจใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ากิเลนก็ไม่ค่อยชอบเท่าไรบางทีก็รู้สึกเหงาไม่เหมือนกับตอนอยู่บ้านนะทั้งที่อยู่บ้านหรือว่าตอนเป็นคาราวะนี่งานก็เยอะรู้สึกเครียดอยากจะมาอยู่วัดแต่พออยู่วัดแล้วนะก็รู้สึกเหงารู้สึกว่างเปล่าก็อยากจะกลับไปเป็นคาราวะ คนเราก็เป็นอย่างเงี้นะชื่อเขาเรียกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเวลาเป็นคารวะก็อยากจะออกจากความเป็นคารวะมาเป็นพระแต่พอเป็นพระก็อยากจะออกจากความเป็นพระไปเป็นคารวะเวลาโสดก็อยากจะมีคู่แต่เวลามีคู่มีแฟนก็อยากจะกลับมาโสดใหม่ อยู่กรุงเทพก็อยากจะไปอยู่ต่างจังหวัดแต่พออยู่ต่างจอดได้ไม่นานก็อยากจะกลับเข้ากรุงเทพอันนี้นะอาจจะบอกว่าเป็นเพราคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นก็ได้แล้วก็มักจะหาทางแก้ปัญหาด้วยการหนีจากสภาพที่เป็นอยู่ทั้งทั้งที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนเป็นอะไรมันก็มีทุกทั้งนั้นแหละ เป็นค า, ารวก็มีทุกแบบค า, ารวะเป็นพระก็มีทุกแบบพระแต่พอคิดจะหนีจากความทุกข์เนี่ยมันก็ก็เลยต้องผ่าจากสภาวะที่เป็นอยู่ไม่จบไม่สิน้นไห้ทอดใกันนะเวลาบวชพระเนี่ยตั้งใจจะมาปฏิบัติแต่พอรู้สึกว่าช่นไม่สะดวกมันไม่เหมือน อย่างที่คิดนะก็มีเหตุแล้วก็พยายามจะหาเหตุหาข้ออ้างนะในการที่จะออกไปจากสภาพที่เป็นอยู่บางคนไม่สบายไม่สบายก็เอามาเป็นข้ออ้างวันนี้คงต้องศึกแล้วละ่ะนะหรือไม่ก็อยากจะไปหาหมอที่นั่นที่นี่ไปค้างแรมที่นั่นที่นี่ืิเลนี่มันก็จะพยายามหาข้ออ้าง ที่ทำให้การปฏิบัติธรรมการฝึกฝนตนหรือการเข้าพรรษาของเราเนี่ยมันต้องแปลเปลี่ยนไปด้วยนี้เนี่ยนะจึงมีธรรมเนียมนะการอธิษฐานพรรษาเพื่อที่จะได้ย้าเตือนความตั้งใจของเราเพื่อได้มีความมุ่งมั่นที่จะจําพรรษาให้ได้ครบ3ามเดือน ที่จริงมันก็ไม่ได้เป็นข้อเรียกร้องที่ใหญ่โตอะไรเลยนะเพราะที่จริงเนี่ยถ้าหาว่าเราตั้งใจจะบวชให้เกิดประโยชน์นะกับชีวิตของตนเนี่ยเราต้องทำอะไรมากกว่านั้นไม่ใช่แค่จำบรรสาวครบถ้วนไกลมาครบถ้วน3เดือนซึ่งตรงนี้เราก็อาจจะเอามาใช้เป็นโอกาสในการอธิษฐานเพิ่มเติมก็ได้ เช่นนอกจากตั้งใจมั่นว่าจะอยู่ให้ครบ3ามเดือนแล้วเรายัางตั้งใจนะว่าเราจะไม่ไม่นอนกลางวันเราจะไม่แตะโทรศัพท์มือถือหรือว่าเราจะทำความเพียรเจริญสติเวาลาสมชั่วโมงสี่ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย ยงถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความเพียรพยายามมากขึ้นและจริงจริงแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงอธิษฐานนี่ก็ไม่ควรจะเป็นเรื่องของพระเท่านั้นนะโดยเพราะเมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยมันควรเป็นโอกาสที่เหมาะสำหรับญาติโยมด้วยนะว่านะเมื่อ ถึงวันเข้าพรรษาแล้วเนี่ยเราจะฝึกฝนตนให้ยิ่งกว่าเดิมบางคนก็อาจจะอธิษฐานว่าเนี่ยจะถือศีลห้าให้ครบโดยเฉาะข้อที่5เพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินเหล้าเดี๋ยวนี้มีคนจำมากนี่ติดเหล้ามากเขาเลยใช้เป็นโอกาสนะในการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาอาจจะงดเหล้าได้นี่ จริงได้อย่างจริงจังก็ต้องอธิษฐานอธิษฐานนี่มันไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรมากแค่กำหนดใจหรืออาจจะเปล่งวาจาต่อหน้าพระพุทธ ร, รูปก็ได้บางคนสี่ห้าครบแล้วก็อยากจะฝึกให้เข้มเข้มนมากขึ้นหรือว่าจริงจังมากขึ้นก็าจะาอธิษฐานว่าจะสวดมนต์ทุกวันจะภาวนา นั่งสมาธิก่อนนอนวันละอย่างน้อยสิบนาทีหรือว่าตั้งใจจะไปทำบุญให้ทานอาทิตย์ละครั้งบางคนติดกาแฟก็อาจจะทิฏฐา่าเนี่ยจะงดกินกาแฟตลอดพรรษาเพื่ออะไรนะเพื่อชื่นโปร่งเบามากขึ้น เราตมาเป็นคารวาเนี่ยก่อนบวช น, นี่อธิษฐานอยู่ข้อเดียวนะในเรื่องสีลห้านี่ก็ทำครบไปนานแล้วน่าจะไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยหนังสือเรื่องพุทธธรรมเนี่ยของสมเด็จพระโคศารจารนี่เพิ่งออกมาฉบับฉบับสมบูรณ์นะ ส, บสมบูรณ์นี่ที่จริงก็ยังไม่สมบูรณ์ทีเดียวเพราะตอนหลังก็มีเพิ่มมาเรื่อยๆอีก2 3สมร้อยหน้าแต่ตอนนั้นก็หนาเกือบพันหน้าอยากจานให้จบแต่ว่าก็ครามนะหนาต้องพันหน้าได้แต่มองได้แต่ดูแต่ไม่เคยแตะไม่เคยเปิดอ่านสักทีอย่างจริงจังเจอหน้าพอเข้าบรรษานี้ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานวนี้จะอ่าน ทุกวันวันละ10หน้า90วันก็900หน้ า, เ, าเกือบครบจบเล่มแล้วตั้งใจอ่านทุกวันนะไม่ว่าจะทำงานกลับมาค่ำแค่ไหนก็ต้องอ่านรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้างก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็อ่านให้มันได้ครบ10หน้าอย่างที่ต้องการไม่ต่ำกว่า10หน้าเกินก็ได้บางวันไปค้างแรมต่างจังหวัดก็อ่านรุนไว้ก่อน อ่านตุนไว้จากสิบหน้าเป็นยี่สิบหน้าก่อนเดินทางอันนี้ก็ปรากฏว่ามันก็สุดท้ายก็อ่านได้จบนะแล้วก็ได้ประโยชน์มากฉงนั้นการเข้าบรรษาเนี่ยมันเป็นโอกาสนะที่เราจะาบำเพ็ญบารมีอธิษฐานเนี่ยมันก็เป็นบารมีข้อหนึ่งนะถ้าเราอธิษฐานถูกต้องเนี่ยบารมีหรือคุณความดี ในตัวเราก็จะเพิ่มพูนขึ้นทำให้เรามีกำลังแข็งกล้าในการเอาชนะ ก, กิเลสและการทำความดีที่ยากขึ้นไปได้เรื่อยๆมันคงไม่มีโอกาสใดนะที่จะเหมาะนะสำหรับการทำความเพียรเท่ากับช่วงเข้าพรรษาเพราะว่าใครๆเขาก็ทำกันเรียกว่ามีเพื่อน คือแม้จะไม่ใช่พระนะแต่เราก็ควรทำด้วยแม้เป็นคาราวาและนอกจากใครๆเขาก็ทำกันเยอะแยะทั้งประเทศแล้วนะมันยังเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานต่อนเนื่องสามเดือนถ้าตั้งใจทำจริงจังก็เห็นผลแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลิกกินเหล้างดกินกาแฟ หรือว่างดใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าใช้น้อยลงแค่วันละชั่วโมงหรือว่ารักษาสินให้ครบหรือว่างดช้อปปิ้งหรือว่าชอบค่าอาทิตย์ละเดือนละครั้งเนี่ยถ้าทำสามเดือนนี่ต่อเนือน่องนี่เห็นผลแน่นอนและต่อไปก็จะมีกำลังในการที่จะทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเดือนนี้เนี่ยการ อธิษฐานเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะและท่านก็ทำเป็นแบบอย่างนะโดยอาศัยเนี่ยการเข้าพรรษานี่แหละอธิษฐานอย่างง่ายๆว่าเราจะอยู่จำพรรษาครบท่วนใจมากนะจะไม่ค้างแรมไปที่ไหนในเช้ า, ชานี้เนี่ยพระนะทั้งวัดก็จะทำการอธิษฐานพรรษาเราก็จะกล่าวคาอธิษฐานเป็นภาษาบาลี สั้นๆเองนะอิมัสมิงอาวสีอิมังเตมาสังวะสังอุเปมิกล่าวย้ำสามจบเพื่อย้ำความตั้งใจของเรา